ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิชาตุสัภิปุเรนตุสังกปาจันโทปนราสุยะธามณิโชติระสสยะธา ติโยวิวานฌันตุสานพารโควินานสตุมาเตภาวนตวันตรายโยสุกีอยู่โกนภาวะภิวานธนาศิลิสานิท จงวนทาปาใจยินน่จ่าตาโรธรรมวันทันที่อายุวันน้อยสุขังพาลังสัพพุทธานุพาเวนนาสัพธรรมนุ สัพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนานางธรรมรัตนานางสังคารัตนาตินางรัตนานางอนุภาเวนะจตุริสีติสหัสมาคานานุภาเวนะปิตกัร ตายานุภาเวนชินาสาวะกานุภาเวนสาพเพต สพเเัพเพติภยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติอุปาทวัสาพเพเติทุนิมิตานสัเพติอาวามังคลาวินาศาตุอายุวัตท่าโกทานาวัตท่าโกสศิริวัต ยาสาวาทากโกภาลาวันทาโกวันณวานทากโกสุขาวาทาโกโหตุสาป่าธาุทขะาพยยาเวลาโสกาสัตุจุปัทฐานิ กอันตารายาปิวินาสันตุจาเตสาสสสยสิทีิทานังลาพังโสทิภาคขยังสุขังภาลสิริอายุจาวันโนาจะโพคังวุจเยสวาสตวสาสสาจะอายุจาชิวสิต ที่ภาวันตูเตาามาตาตาาพพาภา ว, า, า, า, วาวันตูาผ้ามั ง, งรักขันตูซาผ้าเทวตาสาผ้าพุทธทานุภาเวนัสธาสดีภาวันภาวตุซาผ้ามงการลางรักขันตูซา วัตตาสาพัทธามานุภาเวีนัสธาโสทิภาวันภาวตุสาพามังคาังรักขันตุสาพาเทวาตตาสังคานุภาเวีนัสธาโสที ภาวันโตเต